พระพุทธเจ้าผู้วิสุทธิเทพตรัสว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกลุ่งโลดชดช่วงอยู่นั้นกับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามหรือบุตรสาวขะหบดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่ม อย่างไหนจะดีกว่ากันซึ่งก็แน่นอนว่าพิสุทั้งหลายก็จะต้องตอบว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามณ์หรือบุตรสาวขหบดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนี้ดีกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอด หรือนอนกอดกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกรุ่งโรธโชช่วงอยู่นั้นเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายว่าการที่บุคคลผู้ทุศีลมีทำลามกน่ารังเกียร ปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพราหมณ์หรือบุตรสาวขะเหบบดีจะดีอย่างไร แต่การเข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่น้นที่กำลังลุกลุ้งโรโชดช่วงอยู่นี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุคติมินิบาศนรกเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้น เป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามหรือบุตรสาวขหบดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานแก่เขาและผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรลกยมใัยไลยอธิบายเสริมว่าหลวงพ่อลองคิดดูซิเจ้าคะพระพิสุทุศีลหรือผู้ไม่เอื้อเฟือ้อที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ทรงตัดว่า ให้กอดกองไฟใหญ่อันร้อนแรงแสงโชวดช่วงยังดีกว่าอาจจะต้องถึงตายหรือทุกทรมานปางตายแต่ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิเพราะการกอดกองไฟแต่ถ้าไปกอดนางสาวน้อยไม่ว่าอยู่ในชนชั้นใดก็ตามแม้ว่าจะได้รับความสุขในปัจจุบันแต่ผลของการปฏิบัติผิดต่อพระวินัยนั้นแม้การจับต้องกายหญิง หลังจากมรณะภาพไปแล้วก็ทำให้ไปสู่อบายภูมิเลยทีเดียวน่ากลัวมากนะเจ้าคะพระพุทธเจ้าผู้มีทศพลยานตัดต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไร คือการที่บุรุษมีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนังพึงบาดผิวบาดผิวแล้วพึงบาดหนังบาดหนังแล้วพึงบาดเนื้อบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกตัดกระดูกแล้ว หยุดอยู่จดเยื่อในกระดูกกับการยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาสารพรามมหาศาลหรือขหบดีมหาสารอย่างไหนจะดีกว่ากันภิกษุทั้งหลายต่างก็ทูลมาตอบว่าข้าแต่พระองค์การยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาสารพรามมหาสาร หรือขะหบดีมหาศาลนี้ดีกว่าส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนังพึงบาดผิวตัดกระดูกแล้วหยุดหยุดจดเยื่อในกระดูกนี้เป็นทุกข์พระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระมหากรุณาตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายว่าการที่บุคคลผู้ทุศิลเป็ น, นึ่งอยากเยื่อยินดีในการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือข้ามณีมหาศาลจะดีอย่างไร แต่การที่บุรุษมีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนังพึงบาดผิวหยุดหยุดจดเยื่อในกระดูกนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารก พอข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนเป็นดังอยากเยื่อยินดีในการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาสาลเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและบุคคลผู้ทุศีนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุกขติวิธิบาณนรกโยมใยไลกล่าวเสริมอีกและถามความเห็นต่อหลวงตาว่าการเอาเชือกหนังหรือเส้นเองง็นคมๆมาพันหน้าแข้งแล้วก็ชักสีไปมาด้วยกำลังแรงเ mm hmm. ชือกหนังนั้นก็จะต้องตัดเนื้อ mm hmm. เอ็นกระดูกคาอยู่ที่กระดูกแข้งอันนี้ยิ่งหน้าหวาดเสียว และเจ็บปวดทรมานอย่างสุดจะทนทีเดียวแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่าดีกว่ายินดีในการกราบไหว้ของชาวบ้านทั้งหลายแสดงว่าถ้าเป็นพระพิสุทุศีลไร้คุณธรรมแต่มีชาวบ้านที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยมีคุณธรรมมากราบไหว้ ก็จะเป็นโทษแก่พระพิสุทุธศีลอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาสงบพยักหน้าตอบด้วยเสียงอ่อยๆว่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละในใจก็ให้นึกหวาดเสียวเหมือนกันว่าถ้าตนเองจะต้องถูกตัดหน้าแข้งด้วยเชือกหนังอันเหนียวคมจะเป็นอย่างไรโยมชายไลได้กล่าวต่อไปว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นโลกนาถตัดต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการที่บุรุษที่มีกำลังเอาหอกอันคมฉลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกกับการยินดีอันชฉลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาล หรือขะหบดีมหาสารอย่างไหนจะดีกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเหมือนเดิมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาสารพรามมหาสารหรือขะหบดีมหาศาลนี้ดีกว่าส่วนการที่บุรุษมีกำลังเอาหอกอันคมฉลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอก นี้เป็นทุกพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าผู้นอรสีหะตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษ มีกำลังเอาห อ, อกอันคมฉโลมน้ํามันพุ่งใส่กลางอกนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตารกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนเป็นดังอยากเยื่อยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลยอมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและบุคคลผู้ทุศีนนั้นเมื่อตายไปยอมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบานรกยอมใช้ไล แสดงอาการหน้าหวาดเสียวกล่าวต่อหลวงตาว่าช่างหน้ากรุณามากทีเดียวนะเจ้าคะไม่ทราบหลวงพ่อจะรู้สึกเหมือนโยมบ้างหรือเปล่าถ้าพระพิสุทธ์ผู้ทุตศีลจะต้องถูกพุ่งด้วยหอกอันคมกริบแถมยังเอาไปฉโลมน้ำมันเพื่อให้ลื่นเมื่อถูกพุ่งใส่ที่อก ด้วยความคมและความลื่นประกอบกันก็คงจะทำให้หอกพร้อมทั้งด้านทะรู้ออกไปทางด้านหลังได้เลยนะเจ้าคะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังคงตัดว่าดีกว่าการกับพุ่มมือไหว้ของชาวบ้านที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารตัดอีกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการที่บุรุษมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดงไฟกำลังลุกลุ่งโลดช่อช่วงนาบกายตัวกับการบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือขหะมดีมหาศาลอย่างไหนจะดีกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลนี้ดีกว่าการที่บุรุษมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดงไฟกำลังลุกลุ่งโรโชดช่วงนาบกายตัว นี้เป็นทุกข์พระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าพุณรลาสภพะตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีนเป็นดังอยากเยื่อบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลจะดีอย่างไร การที่บุรุษมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรดชดช่วงนาบกายตัวนี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่เขาเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนาลกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยความศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์และบุคคลผู้ทุศีนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอับบายทุกคติมินิบาสนรกโยมใช้ไล่กล่าวตักเตือนสติถวายแก่หลวงตาว่า ฟังเรื่องนี้แล้วน่ากลัวน่าหวาดเสียวนะเจ้าคะแต่ถ้าคิดในแง่ที่ดีอีกทางหนึ่งก็เป็นเครื่องย้ำเตือนให้พระพิสุไม่ประมาทและเกรงกลัวต่อ บ, บาปอากุศลที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันรู้ตัวทำให้ระวังตัวและรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นนะเจ้าคะ เวลาพระพิสุจะห่มจีวรก็ให้ระลึกถึงแผ่นเหล็กร้อนแดงที่จะมานาบกายตัวหากไม่รักษาศีลไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยให้ถูกต้องหลวงตาสงบตั้งใจฟังด้วยจิตจดจอ่อคิดในใจว่าถ้าเราขืนประพฤติดังเดิมอาจจะต้องห่มจีวรเหล็กร้อนแดง ในนรกก็เป็นได้สงสัยว่าถ้าไม่สึกก็ต้องตั้งใจประพฤติตนใหม่หละ่ะโยมชัยไลเห็นหลวงตาตั้งใจฟังดังนั้นจึงกล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมุนีนาถตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการที่บุรุษมีกำลังเอาขอเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรธโฉดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรธโฉดช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหมลิมฝีปากไหมปากไหมลิ้น ไม่คอไม่อกไม่เลื่อยไปถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยและออกทางถวานเบื้องตับกับการบริโภคบินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนจะดีกว่ากันพิสุกทั้งหลายกราบทูลว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริพกบินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลนี้ดีกว่าการที่บุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกลุ่งโลดโฉดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกําลังลุกลุ่งโลดโฉดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กแดงนั้น จะพึงไม่ลิมฝิกปาไม่ป่าไม่ลิ้นไม่คอไม่ อ, อกไม่เลื่อยไปถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยและออกทางถวาวรเบื้องต่ำนี้เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริโภคปินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษมีกำลังเอาขอเล็กแดงแล้วออกทางทวานเบื้องตับนี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร เขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริพกบินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาล ย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายนิชัยประโยชน์และบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกยอมไฉไลทำท่ากืนน้ำลายด้วยความหวาดเสียวแล้วกล่าวว่าการกืนก้อนเหล็กร้อนๆแดงๆ แ, แสงสองจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดีกว่าฉันอาหารของชาวบ้านที่เขาถวายด้วยศรัทธาเสียอีกข้อนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ดีอีกทีเดียวเพราะพระพิสุต้องฉันอาหารทุกวันอย่างน้อยก็วันละสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเพลนหรือถ้าพระพิสุรูปใดมักน้อยสันโดษรักษาทุดงก็ฉันวันละมือ้อถ้าไม่รักษาพระวินยัยกลายเป็นพระพิสูทุศีน ก็มีหวังได้ไปฉันก้อนเหล็กร้อนแดงในนิระยะภูมิแน่ใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อโยมไฉไล่พูดเองเออเองโดยที่หลวงตาสงบแม้นั่งฟังเฉยด้วยอาการสงบแต่ก็คิดตามด้วยความะทึกใจจึงได้กล่าวต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุขทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการที่บุรุษมีกำลังจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วให้นั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กแดงไฟกำลังลุกลุ่งโลดโชดช่วงกับการบริโภคเตียงตัง้งที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มห า, าลหรือกะบดีมหาศาลอย่างไหนจะดีกว่ากันพิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริภกเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสาลนี้ดีกว่าการที่บุรุษมีกําลังจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วให้นั่งทับหรือนอนทับเตียง หรือตัางเหล็กแดงไฟกำลังลุกลุ่งโรดโชดช่วงนี้เป็นทุกพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าผู้มุนีนาัดว่าดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริโภคเตียงต่างที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลจะดีอย่างไร การที่บุรุษผู้มีกําลังจับที่ศีรษะหรือที่คอนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นจะเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนรกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย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 วินิบัตินรกโยมไยไลกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่คุ้มกันเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่งนอนบนเตียงต่างของชาวบ้านที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็เป็นสุขสบายดีอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติตามธรรมเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว จะต้องถูกจับให้นั่งนอนบนเตียงต่างเหล็กร้อนแดงไฟลุกโชดช่วงในนรกแล้วคงไม่ได้ถูกบังคับให้นั่งนอนครั้งเดียวสองครั้งแต่เป็นเวลานา น, านแสนานานทีเดียวจนกว่าจะพ้นกรรมนะเจ้าคะหลวงตาสงบพยักหน้านึกงึกแล้วตั้งใจฟังต่อไป โยมลูกสาวผู้หวังดีและห่วงใยพระภิกษุบิดากล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอนันตชินะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นอย่างไรคือการที่บุรุษมีกำลังจับมัดเอาเท้าขึ้นเอาหัวลง โยนลงในหม้อเหล็กแดงไฟกำลังลุกรุ่งโรดโชดช่วงผู้นั้นถูกไฟเผาเดือดดุดฟองน้ำในหม้อเหล็กแดงนั้นบางครั้งลอยขึ้นข้างบนบางครั้งจมลงข้างล่างบางครั้งลอยไปขวางๆกับการบริโภววิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาล หรือขหบดีมหาสาลอย่างไหนจะดีกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาสาลพรามมหาสาลหรือขหบดีมหาสารนี้ดีกว่าส่วนการที่บุษมีกำลัง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 พระพุทธเจ้าผู้วรมุนินตรัสว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษมีกำลังจับมัดเอาเท้าขึ้น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 ส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนเป็นดังอยากเยื่อบริโภควิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกแก่บุคคลผู้ทุศีนนั้นและบุคคลผู้ทุศีนนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกคติมินิบาทนาลก พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนด้วยความอนุเคราะห์เกื้อกูลว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดปัดจจัยของชนเหล่านั้น จกมีผลมากมีอานิสงส์มากและการบรรพชาของเราทั้งหลายจากไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรดูก่อนพิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลอันหนึง่งเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนควรแท้ทีเดียว ที่จะให้ประโยชน์นั้นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทหรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองก็ควรแท้ท<ๆ>ีเดียวที่จะให้ประโยชน์ทั้งสองนั้นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตัดวยากรณ์ณภาสสินี้จบลงแล้วและเมื่อกําลังตัดไวยากรณ์ณภาสสินี้อยู่โลหิตร้อนพุ่งออกจากปากของพิษุหกสลูกพวกตน้นภิกษุ60สลูกพวกกลางลาสิกขาศึกมาเป็นคฤือหัดด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทําได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทําได้แสนยาก อีกหกสิบลูกมีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมันโยมัยไลกล่าวเป็นเชิงถามความเห็นหลวงตาว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อฟังพระสูตรนี้จบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะหลวงตาสงบมีสีหน้าเรียบสงบแต่ในใจ ก็คิดถึงการที่จะต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองกล่าวตอบว่าอัตมาก็มีความรู้สึกคล้ายกับพิสุกหกสลูกพวกที่สองนั่นแหละว่าการปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยให้บริบูรณ์จริงๆเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าทำได้ก็คุ้มค่าเหมือนพระพิสุกหกสลูกพวกที่สาม มีผลทำให้บรรลุความเป็นพระอระหันต์ส่วนพิสุกหกสิรูพวกแรกถึงกับลากเลือดได้อย่างไรโยมรู้ไหมทำไมฟังพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่นำออกจากทุกข์แต่กลับได้รับความทุกข์ถึงกับกระอักเลือดโยมัยไลรูล้สึกดีใจที่เห็นหลวงตาแสดงอาการสนใจมาก และให้ความสำคัญกับพระธรรมวินัยโดยไม่ต่อต้านเหมือนตอนเริ่มสนทนากันใหม่ๆจึงกล่าวเพิ่มเติมตามที่ได้ศึกษาและจดจำได้ว่าเรื่องนี้มีคำอธิบายอยู่ในที่อื่นคือในอังคุตรนิกายเอกนิบาตอัจราสังคาตะวั์ที่6อัธกถาสูตรที่สหน้า117 มีข้อความแสดงโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าพิสุผู้ทุศีลบริโภคปัจัยสีของชาวแว่นแคว้นผู้ถวายด้วยศรัทธาแล้วจะพากันไปยัดเยียดในอบายทรงเกิดพระมหากรุณาอย่างเหลือประมาณทรงทราบว่าเมื่อพระ อ, องค์ตรัสอักคิคันทูปมัสสูตรจบลงพิสุ60สรูปจะลากเลือด พิสุอีก60สรูปจะลาสิกขาเป็นคฤหัตพิสุอีก60สรูปจะบรรลุเป็นพระอระหันต์อาศัยความอนุเคราะห์แก่ภาพพิสุทั้งสามพวกจึงทรงตัดอัคคิคันทูปะมะสูตรพิสุ60สรูปพวกแรกขณะเมื่อฟังธรรมอยู่ก็เกิดความเดือดร้อนใจจิตใจก็กัดกุ้ม เกิดโทมานั์อย่างแรงเมื่อนามกายกัดกุ้มกระชชกายคือรูปกายก็รุ่มร้อนเมื่อกระชัชกายรุ่มร้อนโลหิตอุ่นที่ข้่งก็พุ่งออกจากปากทำให้รากออกมาเป็นเลือดได้ยินว่าพิสุที่รากเลือดเหล่านั้นต้องอาบัติาราชิกพิสุอีก60รูปพวกที่สองคิดว่าการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนาทำได้ยากหนอแล้วพากันลาสิกขาเป็นข้ารือหัดได้ยินว่าพิสุเหล่านี้ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัยพากันย่ำยีสิกขาบทเล็กน้อยพิสุอีก60รูปพวกที่สส่งญาณมุ่งตรงต่อเทศนาของพระศาสดาก็บรรลุพระอรหันต ค้อมด้วยปฏิสัมพิทาได้ยินว่าพิสุเหล่านี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาถึงความหมดจดของตนผู้ดำรงอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดาอันบริสุทธิ์จึงเกิดปราโมทปีติปัสสธิโมสมณสัมมาธิและยะถาภูตยานทัทสนะทำให้เกิดนิพิทาวิราคะ บรรลุมรผลไปตามลำดับพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาจึงเกิดมีผลแก่พิสุแม้ทั้งสามจำพวกอย่างนี้หลวงตาสงบเกิดข้อกังขาว่าพระธรรมเทศนามีผลแก่พิสุผู้บรรลุพระอราหันต์นั้นไม่น่าสงสัยแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์แก่พิสุกอีกสองบบอย่างไรเพราะเท่าที่เห็นคือทำให้กระอักเลือดและทำให้ต้องลาสิขาไปเป็นข้าลือหัโยมช่วยอธิบายหน่อยสิ